นาทีคณิกาย34สูตรยาวเฟ้ยเลยนะแต่ละสูตรเทศ3มวันไม่จบเนี่ยถ้าพระอธิบายแบบละเอียดเนี่ยนะสมวันไม่จบโยมเขาราวาเรียนมาเกือบสองปีแล้วสูตรเดียวยังไม่ทันถึงไหนเลยอย่างเงี้ยนาทีคณิกายเนี่ยนะก็ถามว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะจบหมายความว่าสูตรทุกสูตรที่สอนจะยาวเนี่ยนาะทีคณิกาย34สูตรมัชฌิมนณิกายที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยทั้งร้อยห้สูตร แล้วก็สั่งยุตนิกาย 7,700 กันรสูตรเนี่ยนะอังคุดอีก 9,000 กับสูตรคุธการนิกายอีก15คัมภคำพีแต่ละคำพีร้อยสูตรมั่ง80สูตรมั่ง 2,300 สูตรมั่งเนี่ยนะนะชาดกอีก5้า50เรื่องเนี่ยนะนะแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะก็แม้กระทั่งอภิธรรมทั้ง7คำพีเนะนะี่ยก็เพื่อจะสอนให้เห็น อริยสัจเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เรารู้อริยสัจแล้วอริยสัจมันรู้ได้ยังไง ร, รู้โดยวิธีการเหล่าใดเป็นตน้นอันนี้ที่เราต้องมาปรับทัศนคติทําความเข้าใจให้ให้ดีๆเลยว่าเราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจอริยสัจได้อย่างไรพุทธศาสนากล่าวถึงการปฏิบัติก็คือการปรับความเข้าใจไอ้ น, นี้การการที่เขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะตรัสรู้ได้อย่างไรเล่าคือเราพูดยังไงจะให้เขาเข้าใจว่างั้นน่ะให้เขาเข้าใจว่า นี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามมิ น, นีปฏิปทานี้นี้อริยมรรคควรเจริญเจริญอริยมรรคเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเจริญเจริญปัญญาปัญญารู้อะไรรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะคิดยังไงให้เป็นกุศลสังกัปปะเป็นต้นะนั้นเราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องถ้าเข้าใจเท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้นเพราะสัมมาทิฏฐิแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ อริยศาสตร์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราจะเจริญยังไงะท่า น, นพระองค์เห็นแล้วว่ายากที่เขาจะคิดตามอย่านั้นมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าแม้แต่สัญญาในธรรมนี้ยังไม่มีสําหรับท่านจะกล่าวไปยายถึงท่านจะได้ตรัสรู้ธรรมนี้แล้วก็แปลว่าข้อมูลที่เขาจะฟังอริยศาสตร์ก็ยังไม่มีอยู่ในในอะไรนะในโลกของความคิดของเขาเลยอะ่ะแม้แต่สัญญาในธรรมนี้ยังไม่มีเลย ความจําได้ความระลึกได้การใส่ใจในธรรมนี้คืออริยสัจนี้ยังไม่มีสําหรับเขาแล้วเขาจะบรรลุอริยสัจได้อย่างไรเขาจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะการเห็นอริยสัจคําว่าเห็นเป็นชื่อของอะไรสัมมาทิฏฐิธรรมจักรสุสมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมจบเขาว่าไงธรรมจักรสุปราศจากมณฑินปราศจากทุรีโสดาปฏิมักเป็นชื่อธรรมจักรสุเป็นชื่อของ โสดาปฏิมัคธรรมจักสุเป็นชื่อของสกธาคามิมัคธรรมจักสุเป็นชื่อของอนาคามิมัคธรรมจักสุที่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะปราศจากความเศร้ามองที่มาจากราคะโทสะและโมหะหรือในธรรมจักพวกบอกว่าจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา นี้ทุกเนี่ยนะก็เป็นชื่อของความรู้อ่ะนะปัญญาที่เห็นในวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรตะขามินนปฏิปทาเนี่ยนะแล้วก็ทุกสูตรเนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นอ ร, ริยสัจเมื่อก่อนก็มีคนมาถามเขาถามบ่อยว่าเขาอยากจะเจริญวิปัสสนาเขาจะอ่านพระตไตรปิฎกเล่มไหนก่อนเนี่ยนะนี่เราก็มาอ่านมามัชฌิมานิกายเนี่ย โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าคือมหาวิปัสสนาคมภีร์ที่เรากําลังเรียนเนี่ยเป็นคำภีร์ว่าด้วยมหาวิปัสสนาเป็นชื่อของวิปัสสนาเลยเนี่ยนะทั้งร้อยหสบสสูตรเป็นชื่อของวิปัสสนาเพราะขึ้นต้นนมูลปริยยายสูตรก็เกี่ยวกับการกําหนดรอบรู้ในกองทุกทั้งหลายจนถึงว่าโน่นอ่ะสูตรสุดท้ายก็คืออินเดียภาวนาสูตรวิธีการเจริญอินทรีย์ในวิในของพระเรียเจ้าเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาบอกวิปัสสนาเป็นอย่างนี้พัน เขาถามเราก็เลยบอกเอาไปซื้อเล่ม17ถึงเล่ม23เอาไปอ่านเถอะเนี่ยนะก็ซื้อแล้วก็บางคนก็เก็บไว้ตั้งนานก็พลิกดูสักหน่อยแต่บางคนเขาก็อ่านให้จริงๆนะนะฮะเราบอก10บคนเขาอ่านให้เราคนเดียวเราก็ได้บุญแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะวิปัสสนานั้นก็คือเนี่ยความรู้ความเห็นความนึกคิดตามคําสอนนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะปัสนาเนี่ยปัสนาปะสะตัวนั้นแปลว่าเห็น วิแปลว่าแจ้งแปลว่าเห็นแจ้งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วถามว่าทํายังไงเราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไอ้เข้าใจแจ่มแจ้งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีประกายชนิดหนึ่งที่เอ า, เ อ, า, เ อ, าอะไรนะถ้าใครที่เคยเหินเหล็กไฟอะรู้จักนะั้มหินเหล็กไฟหมายว่าเอาอะไรไปขูดปับ๊บมันก็จะออกประกายมาเลยแล้วความคิดของเราทํำยังไงให้มันมีประกายเอาตัวไปถู ก, กับอะไรแล้วมันออกประกายออกมายัางไงทางความคิดนะนะ หรือเอาตาไปดูอะไรแล้วประกายความคิดมันจะเกิดมาเอาหูไปฟังอะไรมันจึงจะมีประกายความคิดออกมาแล้วเข้าใจแล้วไอ้ประกายความคิดอันนั้นที่มันเกิดแวบหนึ่งแหละทํายังไงให้มันสว่างขึ้นอะอโลกะอะโลก ะ, ลกะนะเป็นแสงสว่างแบบเนี้ยในท้องฟ้าที่มันกําลังสว่างสว่ๆเนี่นแหละเนี่ยท่านธรรมะมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่ หลับไหลเหมืนซึมงง ง, งเป็นต้นไม่ใช่แน่นอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของผู้ที่มีสติแล้วก็สัมปชัญญะสาทธะสัมปชัญญะญญเป็นต้นค่อนข้างบริบูรณ์มันถ้าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเจริญง่ายๆพระพุทธเจ้าก็ไม่อะไรพระองค์ก็ไม่ตรัสอย่างนี้ว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นของยากแต่ถ้าตรัสรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะสอนทําไม อ, นนะอริยมรรคทั้งหลายถ้าเจริญไม่ได้จริงเนี่ยนะประโยชน์ของความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็ไม่สาเร็จเพราะพระองค์ฝึกเสร็จแล้วก็จะฝึกผู้อื่นด้วยพระองค์ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะอันนี้แหละในตอนต้นพระองค์ก็เลยด้วยอำนาจของของอะไรของปัจเวกขณะยานนี่แหละทำให้พระองค์น้อมไปว่าสัตว์ทั้งหลายนี่กิเลสเขารุนแรงเหลือเกินเนี่ยนะ เมื่อกิเลส ข, ของเขารุนแรงแล้วเกินอย่างนี้นเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจอริยศสตรเนี่ยนะเอางี้ล้กันว่าพยายามอ่านสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วไปเล่าให้พวกฟังเนี่ยเขามีคนอยากฟังให้เราบ้างไหมอเอาแบบธรรมดาๆเนี่ยนะขนาดว่าที่ที่ศึกษากันด้วยกันเนี่ยแม้กระทั่งจะเล่าสู่กันฟังแล้วยังยังจะยากว่างั้นอ่ะอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะ ท่านบอกว่าธรรมะคืออริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยลึกลึกเหมือนอะไรลึกเหมือนน้าที่รองแผ่นดินเหมือนเราจะเจาะให้ลงไปให้เขาบอกว่าใต้ฐานข้างล่างของเราก็คือทะเลใช่ไหมเราจะเจาะยังไงให้มันถึงทะเลทะเลอีกฟากหนึ่งนะเจาะโลกทะลุโลกออกไปให้มันถึงน้ํารองแผ่นดินเนี่ยมันทำไง <S <S เห็นได้ยากเ ห, เ, หเหมือนเห็นเมล็มดพันธุ์ผักาดที่เอาภูเขามาปิดบังไว้เอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางไว้อีกฟากหนึ่งของภูเขาอะ แล้วคุณมองใช่มันเห็นมองจะมองยังไงให้เห็นหรือรู้ตามได้แสนยากขนาดว่าจะบรรลุตามได้อย่างยากเหมือนปลายแห่งขนทรายที่แบ่งออกเป็น7ส่วนไอ้ปลายขนทรายเนี่ยเขาบอกว่าผมของเราเนี่ยเส้นผมเนี่ยของเราเนี่ ย, ยถือว่าหยาบมากแล้วเอาผมของเราเนี่ยมาหารเป็นสัก7ส่วนแล้วเอาหนึ่งเอาหนึ่งใน7นั่นแหละเอามาหารอีก7แล้วก็ไอ้เซีย่ยวเซี่ย น, นั้นเล็กๆนั้นน่ะถามว่ามองยังไงจะมองเห็น ก็ถือว่าเห็นยากนะนะถ้าผมผมดำๆเขา ย, ยังชั่วอาจจะเห็นไม่ยากนะถ้าเป็นสีขาวที่ไม่มีเม็ดสีเจือด้วยเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะแทบมองไม่เห็นเลยถ้าเส้นเส้นอ่ะนะสมมติว่าผ่าออกสักหันหันร้อยหรือหันร้อยห้าสิเนี่ยนะเส้นผมเนี่ยมันรู้จะมองอยังไงเห็นละเอียดบอกว่าเห็นยากอย่างนั้นแหละรู้ตามได้แสนยากแล้วพระองค์ก็ปรารถถึงพระองค์ว่าทานที่พระองค์เนี่ยนะพยายามเพื่อที่จะ ให้เพื่อจัดแทงตลอดธรรมะนี้ที่เราไม่เคยให้ไม่มีเลยดูเถอะในโลกนี้เนี่ยที่มองเห็นเนี่ยโดยใช้สายตาสัมผัสแล้วมองเห็นให้เป็นวัตถุทามที่พระองค์ไม่เคยให้บอกถามม่ามีไหมบอกไม่มีศีนที่ไม่เคยรักษาก็ไม่มีภาวนาที่ไม่เคยเจริญก็ไม่มีวิปัสสนาหรือปัญญาที่ไม่เคยเจริญไม่เคยแสวงหาก็ไม่มีภาคเพียรอุตสาหวิริยะอย่างแรงกล้าก็ทาอย่าง อย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าบารมีเหลา่าใดที่พระองค์ไม่บาเพ็ญแล้วก็ไม่มีแล้วพระองค์คิดอีกว่าเมื่อเรากำลังกำจัดกองกำลังมารจนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวพูดถึงปฐมหัวข้ามแห่งราตรีที่เราสวดอนภะาหงสหส ม, มาพิเนมมิตสาวุธันตังครีเมฆังอุทิตโครสาสเสนมารังเนี่ยนะที่บอกว่าพญามาเนี่ย พร้อมด้วยเสนาแมนเนี่ยนะขีพยาช้างชื่อว่าครีเมกนะนะพร้อมด้วยเสนามา น, าามม น, ามานโหร้องก้องกึกว่างั้นฮะเสร็จแล้วพระองค์ชนะชนะมารเหล่านั้นด้วยอะไรด้วยธรรมวิธีคือด้วยบา ร, รมีทั้งหลายมีทานนะบา ร, รมีเป็นต้นอ้างทานเนี่ยนะอ้างทานอ้างทานโดยเฉพาะอ้างทานอยู่ทานเดียวนะอ้างทานที่พระองค์เคยทําเฉพาะชาติที่เป็นพระเวศสันดร ที่ให้ทานแล้วแผ่นดินไหวเจดครั้งเนี่ยอันนั้นพระองค์ก็ชนะมารเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าชนะมารแผ่นดินยังไม่ไหวเลยนะพญา ม, มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเล็กน้อยนะเป็นเทวดาที่เป็นจอมเทพของสวรรค์ชัน้นปารณิมมิตาวสวัตดีเป็นผู้ที่ใหญ่มานี่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ถึงขนาดสิงพรมได้อะอนะ ผีเรียกว่าผีสิงพรมได้ก็แล้วคิดดูนะเป็นผีชนิดพิเศษสิงเท้ามาอธิษฐาสิงพรมได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปโปรดโ ป, ปรดพรมนะมารเนี่ยแวบถึงพรมมาเลิกแล้วไปสิงพรมเนี่ยนะให้พรมพูดเรียกว่าเรียกว่าให้พรมเนี่ยพูดตามที่ตัวเองปรารถนาได้เขามีอํานาจขนาดนั้นอ่ะเขาเก่งขนาดนั้นอ่ะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยกำจัดมารโดยอ้างบารมีแผ่นดินยังไม่ไหวเลย ขณะเดียวกันพระ อ, องค์ระลึกชาติได้ระลึกชาติตลอด4ชั่วโมงแผ่นดินก็ยังไม่หวั่นไหวเลยเมื่อพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายด้วยที่ประจักษสุยาณอีก4ชั่วโมงแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเลยแต่เมื่อเราแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยามแห่งราตรีขณะที่พระ อ, องค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาชรามรณะมีชาติเป็นปัจใจเนี่ยนะชาติก็คือชาติไหนในภพสามกำเนิดสี่กติห้า วิญญาณทิติเจ็แล้วก็สัตวาวาส9้าในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยนะผู้มีญาณแก่กล้าแม้เช่นเราก็ยังแทงตลอดธรรมนี้ได้ยากเพราะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทแผ่นดินไหวเลยเนี่ยนะเพราตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละเนี่ยแผ่นดินหวั่นไหวเลยขนาดบําเพ็ญบารมีมาเช่นกับตัวเรานี่ยังบรรลุยากจะกล่าวไปยายถึง ชนเราอื่นเนาะเขาจะตระหงตลอดธรรมะเหล่านี้ได้อย่างไรก็เหมือนบางท่านเขาบอกว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกวันละประมาณเกือบ10บชั่วโมงแล้วก็อ่านตั้งหลายปีเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าที่ควรจะเป็นเหมนกันเถอะเท่าที่ควรจะได้อ้าแล้วแม้อทิตย์หนึ่งอ่านสักสนะสชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรืออ่านแล้วก็แบบไฟติดติดดับดับเนี่ยนะหลับมั่งตื่นมั่งอ่านเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจนาะบอกโอ้ใช้เวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยนะแต่กระทามีทางอื่นอีกไหมล่ะเออ เขาบอกว่าถ้าเดินทางทางพระพุทธเจ้าที่ตัดยิ่งกว่าถนน18เลนเองนะนะแล้วก็เดินตามนี้ยังยังบอกว่ามันสั้นยังบอกว่ามันอ้อมไปแล้วก็บ่าวถามว่าเอาให้มันที่ง่ายเนี่ยมันง่ายยังไงเนี่ยนะก็ไปบอกเธอว่าคนที่เขาตรัสรู้ว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยตรัสรู้ไม่ยากหรอกก็าถามเขาดิเขาตรัสรู้จริงหรื อ, อยัง ถามจริงๆเถอสมมติถ้าเขาบอกอุยอย่างนี้ไม่ยากหรอกเจริญไม่ยากเออเนี่ยมือในไหนๆก็ถือว่าไม่ยากถามจริงเหอะห้ามโกรธกันนะขอร้องนลนะอย่าเพิ่งโกรธถามจริงเถอะคุณรู้แล้วใช่ไหมแล้วรู้ว่าอย่างไงแล้วมันดีจริงไม้มล่ะเอ้านีถ้าถ้าถามจริงๆอ่ะนะถ้าคนที่เขาบอกเองอนะ่ะแล้วเขามีความจริงใจอ่ะนะแล้วถ้าเขาพูดแบบคนที่ไม่มีมายา มายาก็คือมานยาโอ้อวดแล้วก็หลอกลวงไม่มีเล่เหลี่ยมเล่กลเนี่ยนะถามจริงๆก็บอกมันไม่ค่อยยากแล้วคุณมันรูุ้แล้วใช่ไหมคุณตต่สรู้แล้วใช่ไหมหรือเขาาก็ๆๆมันไม่ยากอ่ะแต่เคยเห็นไหมบอกไม่เคยอย่างเงี้ยเขาบอกหวยเนี่ยเหมือนกับ อ, กอาจารย์ที่ให้หวยใบหวยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอุยถูกมาแล้วไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวดแล้วอาจารย์ที่ฐานะดีแล้วใช่ไหมรวยมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอุ้ยชำนาญในเรื่องหุ้นแล้วบอกรวยมากเลยใช่ไหมเพราะตลาดหุ้นมันมีเป็นหมื่นล้านในนั้นอ่ะ ท่านมีตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมบอกบางทีไม่ใช่หรอกอาชีพไม่เท่าไหร่นะที่ที่ทำอยู่ตรงนั้นคือขอถามว่าถ้ารู้จริงแล้วมันได้จริงไหมล่ะเอานี่ถามว่าในโลกนี้แล้วใครจะรู้จริงเท่าพระพุท ธ, นะธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละรู้จริงที่สุดถ้าเราไม่เอาตามคําของพระพุทธเจ้าแล้วไปเอาตามคําของใครเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยที่ที่คำอันสมัยใหม่ที่อันตรายมากที่สุดที่เราต้องระวังอันหนึ่งก็บอกว่าถ้าเขาพูดเองเนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติ ถ้ามาจากคำสอนในพระไตรปิฎกเขาว่าปริยัตยไอ้ปริยัตยินี่แปลว่าอะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่เขานี่สิปฏิบัติเนี่ยนะก็แบบอะไรนะครับเป็นคำที่ล้อเลียนก็บอกพระองค์เนี่ยของแพ้เพราะอะไรปั้นมากับมืออย่างเงี้ยนะ บอกว่าสมเด็จนี้แท้ไหมบอกแท้มากเพราะทําไมอ่ะรู้ได้ไงบอกปั้นมากับมือแท้แนะ่ทา ร, รอดองค์นี้จริงไหมบอกจริงทํารู้ได้ไงว่าจริงกับปั้นมากับมือเลยแหละแปะโป้งมาเองเลยแหละเพราะฉะนั้นต้องแท้แน่นอนไม่หลอกนะนี่ก็เหมือนกันก็บอกเออทำมากของเขานี่ยเขาปฏิบัติมากกับตัวเลยใช่แล้วก็ไม่ว่าเขามาไม่ปฏิบัตินะแต่เขาปฏิบัติแต่เป็นของเขาอ่ะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะเราเราผูา้ที่ศึกษาเนี่ย ความชัดเจนเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาของพระพุทธเจ้าอ่ะจริงหรือว่าเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้หรือที่มาที่อ้างอิงได้ไหมอธิบายได้ไหมเนี่ยนะถ้าอธิบายไม่ได้อ้างอิงไม่ได้เราก็ต้องฟังหูไว้หูเขาบอกว่าดีเหลือเกินแล้วถามหารายละเอียดไม่ได้เนี่ยนะอยงเขาถามว่าเออนิมนต์ท่านไปอินเดียเอาไปเมื่อไหร่บอกยังไม่รู้เลยแต่ว่านิมนต์ไปให้ได้ไปแน่นอนยังไงก็แน่นอนบอกเมือ่อไหร่บอกไม่รู้อันนี้อันนี้นไม่ใช่อินเดียสีลังการชัดดิ ไปแน่นอนตั๋วก็จองแล้ววันที่เท่านั้นเท่านี้เอาตั๋วยังไงพาสปอร์ตอะไรบีซ่ามีสักอย่างเนี่ยนะคือคือสรุปแล้วมันไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเลยคือคือหลายๆอย่างมันจะเป็นลักษณะนั้นอ่ะมันเหมือนกับมันใช่แต่มันก็ไม่ใช่เนี่ยนะเพราะมานี่ถูกหลอกมาเยอะก็เลยทําให้ทําให้เรามาคิดเออเนี่ยนะ้คนที่ศึกษาธรรมะจะถูกหลอกเหมือนเราหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างเถอะพยายามจับให้มันมั่นๆเอาให้มันชั ด, ชดๆเนี่ยนะรว้เวญกรรมอะไรมามไม่รู้ ก็พราะฉนั้นก็แต่ว่าเราไม่ว่าอะไรหรอกอะนะแต่ตรงที่เขาหลอกกนะันมันก็ดีะนะทำให้เรามาทําให้มาเราแวทระวังว่าเออนี่ขนาดเรื่องหยาบหยาบอย่างนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องนี้มันแบบมันเห็นเนกันอยู่เลยแหละถือว่าหยาบค่อนข้างมากมันยังอย่างนี้ได้แล้วที่ละเอียดลึกๆซึ้งอะนะ่ะ